217ติจีวรานุชาณน า, นาว่าด้วยการอนุญาตไรจีวรเรื่องทอดพระเนตรเห็นภิกษุแบกห่อจีวร346สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกรุงราชครตามพระอัธยาศัยแล้วสเสด็จาริกไปกรุงเวสาลี พระผู้มีพระภาคทรงดำเนินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤืต่อกับกรุงเวสาลีได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้จำนวนมากห่อผ้าพรุงพระหังบ้างก็ทูลห่อผ้าที่พับดังฟูกไว้บนศีรษะบ้างก็แบกขึ้นบ่าบ้างก็กระเดียดไว้ที่เสเอลขึ้นมาครั้นทอดพระเนตรเห็นแล้ว พระผู้มีพระภาคได้มีพระดำริว่าโมคะบุรุษเหล่านี้หมกมุ่นเพื่อความมักมากในจีวรเหลือเกินอยากระนั้นเลยเราควรกำหนดเขตแดนเราควรกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องผ้าแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงกรุงเวสาลี ประทับอยู่ที่โคตมกะเจดีสมัยนั้นเป็นยามค่ำคืนที่หนาวเหน็บในฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนสามเดือนสี่พระผู้มีพระภาคทรงห่มจีวรผืนเดียวประทับนั่งอยู่กลางแจ้งตลอดราตรีขณะที่น้ำค้างตกแต่ไม่ทรงหนาวเมื่อปฐมยามผ่านไป ทรงรู้สึกหนาวทรงห่มจีวรผืนที่สองจึงไม่ทรงหนาวเมื่อมัชิมยามผ่านไปทรงรู้สึกหนาวทรงห่มจีวรผืนที่สามจึงไม่ทรงหนาวเมื่อปัจฉิมยามผ่านไปยามรุ่งอรุณแห่งราตรีอันเป็นเบื้องต้นแห่งความสดชื่นทรงรู้สึกหนาว ทรงห่มจีวรผืนที่สี่จึงไม่ทรงหนาวแล้วทรงพระดำริว่ากุลบุตรในธรรมวิไนนี้ที่เป็นคนมีปกติหนาวกลัวความหนาวอาจครองชีพอยู่ได้ด้วยผ้าสามผืนอยากระนั้นเลยเราควรกำหนดเขตแดน ควรกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องผ้าเราควรอนุญาตผ้าสามผืนแก่ภิกษุทั้งหลาย